ซึ่งเรียกว่าอัตถกถาหนังสืออธิบายอัรถกถาซึ่งเรียกว่าดีกาหนังสืออธิบายดีกาเรียกว่าอนุดีกาและหนังสือประกอบพิเศษอีกมากมายซึ่งถึงแม้จะใช้เวลาตลอดชีวิตศึกษาคำพีเหล่านี้อย่างเดียวไม่ศึกษาวิชาอื่นเลยก็ไม่อาจจะอ่านคำพีเหล่านี้ให้ทั่วถึงหรือเข้าใจได้ตลอดทั้งหมด ด้วยเหตุที่คัมภีร์มีมากดังกล่าวมานี้ความฟั่นเฟือในคำพีจึงมีอยู่มากเพราะเรื่องต่างๆที่มีอยู่ในคัมภีร์เหล่านี้ที่ขัดแย้งกันเองก็มีที่ไม่น่าเชื่อก็มีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนั้นมีอยู่แม้ในคมภีร์พระไตรปิฎกเองเช่นเรื่องที่กล่าวถึงอสุรินธราหูองค์พระจันทร์พระอาทิตย์และในที่สุดต้องคลายออกด้วยอำนาจของพุท ธ, ธานุภาพและเรื่องเกี่ยวกับเทพนิยายต่างๆ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 ฉะนั้นเรื่องในพุทธศาสนาก็จําเป็นอยู่เองที่จะต้องมีเรื่องในธรรมนองนี้ต่างแต่เพียงว่าจะต้องดัดแปลงรูปเรื่องบางอย่างให้เข้ากันได้กับหลักธรรมในพุทธศาสนาดังเช่นเรื่องนรกสวรรค์ของศาสนาพราหมกกับของพุทธศาสนาดูไม่แตกต่าง ก, ากันเท่าไหร่นักที่ว่าเรื่องเหล่านี้ก่อให้เกิดความฟั่นเฟือนั้น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 การที่ศาสนาต่างๆมักจะดำรงสืบต่อมาด้วยวิธีนี้นั้นก็นับว่าเป็นความดีแก่โลกอยู่ไม่น้อยทีเดียวหมายเหตุคือหมายถึงทำให้คนยุคนั้นซึ่งเรื่องทางวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญและยังมีความเชื่อเดิมอยู่นั้นสามารถเข้าใจทำได้ง่ายสนใจทำได้ง่ายมากขึ้นโดยใช้เรื่องพวกนั้นเป็นกุสโลบาย เพื่อดึงให้เข้าใจธรรมะขั้นสูงต่อไปนะครับการที่ข้าพเจ้าต้องพูดเรื่องนี้ให้รู้ไว้ก่อน <c oughs> ก็เพราะอุปสรรคสำคัญที่ทำให้พุทธศาสนาไม่แพร่หลาย <c oughs> ก็คือบรรดาความเชื่อผิดๆที่ฝังจิตใจประชาชนอยู่อย่างลึกซึง้งและแพร่หลายทั่วไปนั้นทำให้หนักศึกษาในสมัยปัจจุบันดูแคลนหลักธรรมในพุทธศาสนา และเขามองดูหลักศาสนาจากความเชื่อถือของประชาชนและสิ่งที่เขามองเห็นอยู่ทุกๆวันนั้นส่วนมากเขารู้สึกว่าไม่มีเหตุผลและเต็มไปด้วยความงมงายต่างๆเช่นการเวียนไหวตายเกิดเรื่องในโรกสวรรค์นั้น mm. เขาเห็นว่าเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความหวังอย่างลมๆแ้งๆเป็นวิธีหลอกกันอย่างหนึ่งดังนี้เป็นต้นความเชื่อถืออย่างผิดผิด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 ซึ่งถือว่าเป็นทางตรงและสั้นที่จะนำไปสู่ผลอันสูงสุดของพุทธศาสนาแต่จะมีสกักกก่คนที่ปฏิบัติตามได้ฉะนั้นคนส่วนมากจึงสนใจศาสนาแต่ในเรื่องพิธีเสพเป็นส่วนมากและสนใจเฉพาะในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นเช่นในเวลาตายเป็นต้น ความจริงเท่าเราได้ศึกษาถึงสถานการณ์ของสามัญชนโดยถี่ท้่วแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าสามัญชนทั่วไปย่อมไม่อาจที่จะศึกษาและปฏิบัติตามหลักศาสนาได้จริงๆเว้นวแต่หลักที่จะไม่ทำให้เขาต้องเสียเวลามากและหลักที่ไม่ฝืนนิสัยจนเกินไปและไม่ขัดกับการอาชีพเท่านั้นทั้งนี้เพราะความจาเป็นในการดารงชีพบีบบังคับอยู่รอบด้าน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 จะต้องประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์เหล่านี้คือ1 ห, หลักพุทธศาสนาที่จะนำมาเผยพระให้กับประชาชนนั้นจะต้องมีหลักฐานแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นหลักพุทธศาสนาจริงๆ2หลักพุทธศาสนานั้นจะต้องมีอิทธิพลดึงดูดให้นักศึกษาสนใจและเห็นพ้องด้วย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 โดยไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนอย่างที่เคยเข้าใจกันเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าวิชานี้มีความสำคัญเพียงไรฉะนั้นจะขอยกคาถาอุทานซึ่งเป็นความรู้สึกของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงเปลงออกมาหลังจากที่ได้ทรงใคร่ครวญเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งแล้วซึ่งมีดังนี้เมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏชัด แก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นยอมสิ้นไปเพราะมารู้ชัดว่าอ๋อความเกิดของชีวิตมีเหตุเป็นมาอย่างนี้นี่เองเพราะมารู้ชัดว่าอ๋อความดับของชีวิตก็สิ้นสุดลงโดยวิธีนี้เองเมื่อใด ทำทั้งหลายปรากฏชัดแก่พรามผู้มีความเพียนเพ่งอยู่เมื่อนั้นพรามย่อมกำจัดมารและเสนามารเสได้ดุจพระอาทิตย์อุทัยกำจัดความมืดทำอากาศให้สว่างฉันนั้นคาว่าธรรมหรือธรรมะในที่นี้หมายถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏชัดหมายความว่า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 จึงเต็มไปด้วยหลักฐานซึ่งส่วนมากอ้างมาจากหนังสือพระไตรปิฎกและได้บอกที่มาเวชชัดเจนทุกแห่งเพื่อสะดวกแก่การค้นคว้าแต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการเขียนแบบนี้ย่อมเป็นที่รำคาญแก่ผู้ที่ไม่ใช่เป็นนักค้นคว้าและโดยเฉพาะก็คือผู้ที่ไม่ใช่เป็นนักบาลีแต่เพราะเหตุที่มีความมุ่งหมายดังกล่าวฉ น, นั้นจึงไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้